แขกคนสุดท้ายกลับไปแล้วและท่านพระครูก็ขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างชั้นบนของกุตินายคุณทองกำลังเก็บแก้วน้ำเพื่อเตรียมจะไปล้างหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในกุติเขาจึงรีบบอกนางว่ายอยหลวงพ่อเพิ่งขึ้นไปข้างบนเมื่อสักครู่นี้เองพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันบ้านอยู่ไกลหรือเปล่ารยายนะ่ะ อยู่อ่างทองนู่นยายขอขึ้นไปพบท่านเดียเด๋ยวนะนางบอกเป็นเชิงขออนุญาตไม่ได้รกยายเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูจะพาไปหาที่พักพรุ่งนี้เช้ายายค่อยมาพบท่านโชคดีนะที่พรุ่งนี้เป็นวันพระไม่งั้นยายก็ต้องรอถึงบ่ายสองโมงท่านจึงจะลงรับแขก หนุ่มวัยสบเอ็ดบอกกล่าวพลางมองนาฬิกาที่ฝาผนังขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มตรงแต่ยายต้องพบท่านวันนี้ไม่เป็นไรท่านไม่ลงยายขึ้นไปหาท่านเองก็ได้ยังไม่ทันที่นายขุนทองจะเอ่ยปากห้ามหญิงชราผู้นั้นก็เปิดประตูเดินขึ้นไปชั้นบน นายขุนทองเดินตามไปที่ประตูแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ออกนางคงจะลงกรอนเอาไว้รู้สึกงุดหงิดงุนง่านด้วยเกรงจะถูกหลงลุงดุหญิงชราลงมาเมื่อไหร่จะต้องต่อว่าเสียให้เข็ดโทษฐานที่ขัดคำสั่งเลขาส่วนตัวของท่านเจ้าของกุฏิอ้าวโยมปั่นมาได้ยังไงนี่ ท่านพระครูทักรู้ว่าฝ่ายนั้นเป็นอมพาตลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ฉันมาลาหลวงพ่อจะ้ะพรุ่งนี้ตอนตีสี่ฉันจะไปแล้วนอนทรมานมาหลายปีเหลือเกินทิดขำเขาจะได้หมดภาระเสทีคำบอกเล่าของนางปัน่นทำให้ท่านพระครูได้รู้ว่า ร่างที่นั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านนี้มิใช่กายเนื้อหากเป็นเจตพูดจะไปหรือแล้วยอมได้อะไรไปละ่ะท่านถามอะไรในที่นี้ท่านต้องการหมายถึงบุญหรือบาปเพราะสองสิ่งนี้เท่านั้นที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปยังภพภูมิหน้าได้ส่วนสมบัติพัะน์านที่เป็นวัต ถ, ถุธรรมไม่มีใครเอาไปได้ แม้เหรียญบาทเพียงอันเดียวที่ลูกหลานเข้าเอาใส่ปากให้ก็ยังต้องเป็นของสับเปลเรไปในที่สุดฉันได้บุญไปจากหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเมตตาฉันแท้แท้เชียวไม่งั้นก็คงต้องพกบาปไปนางพูดอย่างรู้บุญรู้คุณดีแล้วที่โยมเลือกไปวันพระพรุ่งนี้เป็นวันพระ ขึ้นสิบห้าคำแล้วก็เป็นวันพระฤหัส ด, ด้วยอาตมาไม่ใช่คนถือเรกถือยามแต่ก็ยังชอบวันพระฤหัสเพราะเป็นวันพ่อแม่ครูอาจารย์จ้าฉันก็กําหนดจิตว่าจะขอตายวันพระจะได้ไปถือศีลไปปฏิบัติกรรมฐานข้างบนโ น, น้น นางหมายถึงสุขติโลกสวรรค์ดีแล้วแหละโยมแล้วก็อย่าติดสุขเส็จจนลืมการปฏิบัติละชีวิตข้างบนนั้นสุขสบายกว่าในโลกมนุษย์เขาก็เลยพากันประมาทมัวเมาครั้นพอบุญหมดก็เลยต้องไปทุกคติจะหลวงพ่อฉันจะไม่เป็นอย่างพวกเขา หลวงพ่อสอนให้ฉันฝึกสติฉันก็จะใช้สตินี่แหละคอยเตือนใจฉันถูกต้องที่สุดโบราณท่านสอนเอาไว้เป็นคำกลอนว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน ตนลืมเตือนใจตนหล่นอบายการเตือนตนเองไว้เสมอก็คือการมีสตินี่เองเมื่อไรที่ขาดสติโอกาสที่จะตกไปในอบายภูมิก็มีมากขึ้นจ้าแล้วหลวงพ่อต้องไปเผาศพฉันด้วยนะจ๊ะเผาเมื่อไรล่ะฉันสั่งทิศเขาไว้แล้วว่า ให้สวดพระอภิธรรมเจ็ดวันวันที่แปดก็เผาเลยจะได้ไม่เป็นภาระลู ก, ลกเขาเห็นทิศเขาพูดว่าหมดห่วงแล้วจะมาขอบวชอยู่กับหลวงพ่อยังไงฉันก็ฝากเขาด้วยแล้วกันเขาเกิดมาเป็นคู่เวรคู่กรรมของฉันแท้ ท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดหน้าที่ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์2517เขียนลงไปว่าเวลา2ทุ่มเจตพูดของนางปั่นมาจากอ่างทองเพื่อบอกว่าพรุ่งนี้เวลาตีสี่จะทิ้งร่างเจตพูดนั้นมีจริงอย่างไม่ต้องสงสัยจดเสร็จจึงเงยหน้าขึ้นถามนางปั่นว่าศพเผาที่วัดไหน เวลาเท่าไหร่วัดโบสถ์ตอนสี่โมงเย็นจ้แล้วทิดเขาคงมาเรียนให้หลวงพ่อทราบอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นจะต้องลาละจะ้เดี๋ยวทิดเขาจะสงสัยว่าทำไมหลับนานนักนางกราบเป็นจงังคะประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกไปนายขุนทองถือถาดใส่แก้วน้ำ ที่ล้างแล้วเดินเข้ามาเห็นนางปั่นเดินออกประตูกุติไปจึงวางถาดลงและวิ่งตามหมายจะไปต่อว่าเขาวิ่งตามไปจนถึงประตูวัดทั้งที่เห็นหลังอยู่วัยวัแต่กลับตามนางไม่ทันไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงแก่แก่ท่าทางที่โรคคนนั้นจะเดินเร็วถึงป่านนี้เมื่อนางเดินลับตาและหายไปในความมืดเขาจึงเดินกลับกุติ ขึ้นไปเรียนท่านพระครูว่าหลวงลุงฮะเมื่อกี้นี้มียายแก่คนหนึ่งมาขอพบหลวงลุงหนูห้ามเขาก็ไม่เชื่อเปิดประตูขึ้นไปจนได้แถมใส่กรอนอีกด้วยหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยขอยจ้องจะต่อว่าตอนแก่ลงมาเสร็จแล้วก็ตามแก่ไม่ทันเสอีกหลวงลุงจะด่าจะว่าหนูก็เชิญได้เลยเพราะหนูผิดไปแล้วนายขุนทองก้มหน้าสารภาพ ข้าไม่มีอะไรจะว่าเองหรอกเจ้าขุนทองแล้วข้าก็ไม่ได้คิดว่าเองทำผิดอะไรผู้หญิงคนที่เองเห็นน่ะคือโยมปัน่นเมียในขำได้ยินดังนั้นนายขุนทองถึงกับสะดุง้งหลวงลุงว่าอะไรนะฮะนี่พ่อหนูไปแอบมีเมียกแก่ๆไว้ตั้งแต่เมื่อไรกันเขาเข้าใจว่าท่านพระครูหมายถึงในขำ ผู้เป็นบิดาของเขาท่านเจ้าของกุติจึงต้องขยายความให้ฟังว่านี่เขาไน่ขำอ่างทองพ่อเองเขาไน่ขำสิงบุรีมันคนละขำกันยังมีขำลบบุรีขำอยุทยาขำนครสวรรค์อีกนะที่ข้ารู้จักนะอ๋อมีขำสุพรรณบุรีอีกคนหนึ่งด้วย แล้วหลงลุงว่าคนไหนหล่อที่สุดฮะคนไหนเอ็งก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากเรื่องความหล่อเอ็งดูคนแค่ที่หล่อไม่หล่อเท่านั้นเองหรอก็จะมีอะไรให้ดูมากไปกว่านี้ล่ะหลงลุงหนูเป็นคนสวยก็ต้องสนใจคนหล่ออยากมีแฟนหล่อๆมันถึงจะคู่ควรกันหรือหลงลุงว่าไม่จริงหลานชายย้อนถามนี่ เจ้าคุณทองถ้าเองไม่มีอะไรดีกว่านี้จะมาพูดกับข้าก็ขอเชิญลงไปได้ข้าจะทํางานละ่ะเมหลุงลืงแล้วก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องไล่กันด้วยนูอุตส่าห์เป็นห่วงเทพแย่ล้านชายแต่ว่าไกลๆเองมาห่วงอะไรข้าละ่ะเฮเจ้าคุณทองห่วงอะไรห่วงสิ ใหญ่ปั่นแกเป็นผู้หญิงและหลุงหลุงก็เป็นผู้ชายขึ้นมาคุยกันในที่ลับยามวิการเช่นนี้ใครเขารู้เขา้าหลุงลุงจะต้องถูกครหานินทาแต่ก่อนหลุงลุงเคร่งครัดในเรื่องเช่นนี้มากแต่ทำไมวันนี้ไม่เคร่งครัดลุงลุงน่าจะให้แกลงมาคุยข้างล่างหรือไม่ก็เรียกหนูขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนถึงเจ็ดหูที่หนูพูดมาเนี่ยลุงลุงว่าผิดหรือเปล่า ท่านพระครูรู้สึกพอใจในความรอบครอบของคนเป็นหลานจึงอธิบายให้เขาฟังว่าข้าขอบใจที่เองเป็นห่วงแต่เองไม่ต้องวิตกหรอกเพราะโยมปันเขาไม่ได้เอาร่างจริงมาด้วยที่เองเห็นนั้นเขาเรียกว่าเจตพูดไม่ควบไวยังไงฮหอ หลนชายไม่เข้าใจก็หมายความว่าโยมปั่นเขาเอาวิญญาณมาไม่ได้เอาร่างมาเขาเป็นอมาพาตไปไหนมาไหนไม่ได้มาหลายปีแล้ววิญญาณที่ออกจากร่างขณะที่นอนหลับเขาเรียกว่าเจตพูดแล้วเกมหาหลุงลุงทำไมหรือฮะมาบอกว่าพรุ่งนี้ตอนตีสี่ แก่จะตายให้ข้าไปงานเผาศพแก่ด้วยเป็นไปได้หรือฮอลลุงลุงหนูไม่อยากจะเชื่อว่าคนเราจะสามารถรู้วันตายของตัวเองได้ถ้าเป็นผู้วิเศษก็ว่าไปอย่างไม่ต้องถึงกับเป็นผู้วิเศษหรอกเจ้าคุณทองอย่างข้าก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษมาจากไหนข้าก็ยังรู้วันตายของข้าหลวงลุงพูดเล่นหรือเปล่า หลอกหนูเล่นใช่มากไม่ได้พูดเล่นแล้วก็มาเดทหลอกข้าพูดจริงๆถึงเองก็เถอะถ้าอยากรู้วันตายเองก็รู้ได้หากเองปฏิบัติกรรมฐานโอ้ยหลวงลุงอย่าเพิ่งพูดถึงความตายหนูยังไม่อยากรู้เพราะยังไม่อยากตายแหมคนกำลังอยู่ในวัยขบเพาะจะให้ตายซะละ นายคุณทองตีโพยตีพายนี่แหละคนไม่เอาก ร, รมฐานก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนกันหมดทุกรายแบบนี้เนอะแบบไหนฮอชายหนุ่มย้อนถามก็แบบเอ็งไงของแท้ไม่เอาจะเอาแต่ของปลอมท่านพระครูว่าหลานชายเลกของแท้ของหลุงลุงเนะ่ะคืออะไรละฮอ กกรรมฐานนะสิถ้าเองมาปฏิบัติกรรมฐานเองก็จะสามารถรู้วันตายได้โยมปั่นแกก็ปฏิบัติข้าก็ปฏิบัติรู้ดีกว่าไม่รู้นะเจ้าคุณทองโอ้ยเงตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้ยินแต่กรรมฐานกรรมฐานจนรำคาญจะแย่อยู่แล้วลุงลุงไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วหรือฮะ ไม่มีอีกแล้วกรรมฐานนี่แหละดีที่สุดดียังไงฮะหลวงลุงช่วยบอกหน่อยเถอะเผื่อบางทีหนูอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบมันก็ได้ท่านพระครูคิดว่าคราวนี้คงจะน้อมน้าวจิตใจของนายขุนทองให้มาสนใจการปฏิบัติได้จึงอธิบายให้เขาฟังว่าประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีมากมาย เท่าที่ข้ารู้จากประสบการณ์ของข้าเองและจากการสอบอารมณ์ของผู้ปฏิบัติคนอื่นๆพอสรุปได้3ประการใหญ่ๆคือ 1. ระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมและ 3. เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ซึ่งประการสุดท้ายนี้สำคัญที่สุด เพราะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาของตัวเราเองได้ก็ไม่ต้องวิ่งไปหาพระให้รดน้ำมนต์หรือวิ่งไปหาหมอดูเราต้องเป็นหมอดูให้ตัวเองมันถึงจัดูกนี่แหละประโยชน์ของกรรมฐานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มั น, นั่งหลับหูหลับตาเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันเมื่อใด ที่ยังไม่เกิดปัญญายังแก้ปัญหาชีวิตให้ตัวเองไม่ได้แล้วจะไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงที่ข้าพูดมานี่เอ็งเห็นด้วยไม่เล่าดูยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยยังตับไม่ได้หลวงลงช่วยอธิบายหน่อยสิฮะว่าทำไมถึงต้องให้ระลึกชาติได้แล้วระลึกได้กี่ชาติจะ ก, กี่ชาติก็ไม่สาคัญหรอกแต่อย่างน้อย ก็ขอให้ระลึกชาติปัจจุบันได้อย่างเช่นลูกที่เกเรไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือชนิดที่เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากพอมาเข้ากรรมฐานได้สองสมวันก็ระลึกชาติได้เลยคือเมื่อจิตสงบก็นึกย้อนไปในอดีตที่เคยทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่บางคนถึงกับร้องไห้โฮออกมา บอกว่ากลับบ้านไปนี่จะต้องไปกราบเท้าขอขมาโทษพ่อแม่หรือคนที่เคยด่าเมียเคยทุบตีเมียพอมาเข้ากรรมฐานเมื่อจิตสงบก็จะรู้บุญคุณเมียคิดว่ากลับไปบ้านจะต้องไปกราบเมียอย่างนี้เป็นต้นจริงหรือฮะหลวลุงแล้วหลุงลุงรู้ได้ยังไงฮะ ก็เขาบอกข้านะสิบางคนถึงกับร้องไห้พูดว่าหลวงพ่อครับผมมันชั่วช้าสาระเลวเหลือเกินข้าก็ถามว่าชั่วยังไงลายโยมเขาก็ตอบว่าชั่วที่ชอบด่าเมียชอบเตะเมียแทนลูกฟุตบอลนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทําอีกแล้วกลับไปนี่ผมจะไปกราบเมียบังเอิญวันที่เขาจะกลับ เมียเขามารับเอง็งเชื่อไหมพอเขาเห็นหน้าเมียเขาคลานเข้าไปกราบเลยกราบต่อหน้าข้าด้วยเมียเขากงงว่าเอหลุงพ่อสอนผัวฉันยังไงนะกลายเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนเห็นฉันเป็นลูกฟุตบอลแต่เดี๋ยวนี้กลับเห็นฉันเป็นพระไปแล้วนี่เมียเขามาแอบเล่าให้ข้าฟังอย่างนี้เอ็งเห็นหรื อ, อยังล่ะว่า คนมาเข้ากรรมฐานนะ่ะระลึกชาติได้แบบนี้แหละหมย์หนูนึกว่าระลึกชาติแต่ครั้งอดีตได้เป็นต้นว่าหรือว่าชาติก่อนเคยเกิดที่ไหนเป็นใครอะไรทํานองนี้นะ่ะแบบนั้นก็ได้แต่ต้องฝึกนานหน่อยมีหลายคนที่เป็นอย่างที่เองว่าแล้วพวกเขาระลึกชาติได้กี่ชาติหอบ้บางคนก็ชาติเดียว บางคนก็สองชาติที่มากที่สุดก็ห้าชาติดูเหมือนจะเป็นแม่ทีก้อนทองที่ก็ระลึกได้ห้าชาติแล้วหลงลุงละฮอระลึกได้กี่ชาติเอ็งจะรู้ไปทำไมข้าไม่อยากอวดอุตริมนุษสธรรมก็ถ้าดูรู้จะได้ปฏิบัติให้มากกว่าหลวงลุ ง, ลงจะให้ระลึกชาติได้มากกว่าหลวงลุงสักสิบชาติ งั้นเองก็ต้องปฏิบัติจนสามารถระลึกชาติได้สิบเจ็ดชาติจะไหวเหรอไม่ไหวนิ่แน่หนูก็พูดไปอย่างนั้นเองแค่ชาติเดียวก็คงไม่ไหวแต่อย่างใดอยดี๋ยวก็ได้รู้ว่าเหลงลุงระลึกชาติได้เจ็ดชาติพูดอย่างผู้ชนะแหมเอ็งนี่มันกระล่อนจริงๆให้ตายสิอุ๊ย จะไปตายทําไมล่ะหลงลุงมีหลานน่ารักอย่างอิวขุนทองยังไม่ตายง่ายๆหรอ่ะหนุ่มวัยยี่สเอ็ดพูดเสียงอ่อนเสียงหวานท่านพระครูรีบโบกมือห้ามว่าพอแล้วพอแล้วคืนเองพูดมากกว่านี้ข้าคงลมจับแน่ๆพอก็ได้่ะแต่หลงลุงต้องอธิบายประโยชน์ข้อที่สองให้หนูฟังคือที่ว่าเห็นกฎแห่งกรรมนั้น เห็นยังไงแล้วทำไมถึงมีประโยชน์ก็ทำไมจะไม่มีประโยชน์ละ่ะเพราะมันทำให้เราสามารถตัดเวรตัดกรรมลงได้ดังที่พระท่านว่าเวรจะหยุดก็ต้องหยุดจองเวรพระที่ไหนฮะใช่ที่วัดป่ามะโมงหรือเปล่านี่อย่าเพิ่งแซวถ้าอยากจะฟังก็ห้ามแซวฮันเน ห ล, ลึงพูดคำทันสมัยก็เป็นด้วยแต่ว่าคนที่เขาพูดอย่างนี้ต้องเป็นวัยรุ่นนะฮะอย่างหนูเนี่ยทำไมข้าจะพูดไม่ได้ข้าก็วัยรุ่นเหมือนกันนี่นารุ่นไหนฮะรุ่นแรกหรือว่าแรกรุ่นท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยว่ารุ่นแรกแย้มโอ้รุ่นแรกแย้มแย้มฝนหลงใช่ไหมฮะ เออนะแย้มอะไรมันก็เรื่องของข้าเองจะฟังต่อหรือไม่ฟังพูดอย่างราําคาญเจ้าหมอนี่มันน่ารําคาญแส้จริงๆฟังซีฮ้อนิมนอธิบายต่อเธอถิดฮะว่าการเห็นกฎแห่งกรรมมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ข้าตอบไปแล้วจึงไม่ขอตอะอีกท่านเล่นตัวก็หนูยังไม่เข้าใจนิฮ้อ ว่ามันตัดเวนตัดกรรมได้ยังไงได้ยังไงน่ะหรือเอาอย่างนี้นะเจ้าคุณทองข้าจะยกตัวอย่างเรื่องจริงให้เองฟังสักเรื่องหนึ่งแล้วเองไปคิดหาคำตอบเอาเองก็แล้วกันคือลูกศิษย์ข้าคนหนึ่งชื่อสนทยาเขารวยมากมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแล้วเขาก็เป็นคนมีอัธยาศั ย, ยดีชอบทาบุญ กุติหลังนี้เขาก็เป็นคนสร้างให้ค่าที่วัดนี้เขามาทำบุญไว้เยอะถ้าคิดเป็นเงินก็หลายล้านแต่เอ็งเชื่อไหมว่าพอเขาตายไปกลับไปตกนรกคนทำบุญเป็นล้านล้านแต่ไปตกนรกท่านย้ำประโยคสุดท้ายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละฮะถามอย่างสงสัย ก็เพราะเขาไม่เอากรรมฐานนะสิข้าเห็นหน้าเขาครั้งแรกก็เห็นกฎแห่งกรรมว่านายคนนี้จะต้องถูกฆ่าตายเจ้ากำนายเวณเข้ามาตามเอาชีวิตเพราะชาติที่แล้วไปฆ่าเขาไว้ข้าก็บอกเขาว่าสนธยาเธอมีเคราะห์นะให้มาเข้ากรรมฐานสิบห้าวันเพื่อสะเดาะเคราะห์ เขาก็บอกว่าไม่มีเวลางานยุ่งข้าบอกครั้งที่สองเขาก็อ้างงานยุ่งอีกข้าเลยเล่าให้เขาฟังต่อหน้าเมียเขาเมียเขาเชื่อแต่ตัวเขาไม่เชื่อพอครั้งที่สามข้าก็พูดกับเขาว่าสนธยาวางมือเรื่องงานไว้ก่อนได้ไหมเธอจะหาเงินไปถึงไหนกัน ลูกเต้าก็ไม่มีเงินทองที่เธอมีอยู่ในขณะนี้ใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดขอให้ห่วงตัวเองบ้างมาเข้ากรรมฐานเสียเขาก็อ้างว่าไม่มีเวลาอีกเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องที่ข้าบอกข้าก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงก็เลยต้องปล่อยไปตามกรรมหลังจากนั้นอีกสามวัน เมียกับแม่ยายเขาก็ร้องห่มร้องไห้มาบอกข้าว่านายสนธยาถูกยิงตายเส้นแล้วและข้าก็รู้ว่าเขาต้องไปตกนรกทำไมถึงตกนรกละ่ะฮะคนทำบุญเป็นล้ลานๆน่าจะได้ไปสวรรค์มีวิวานสวยๆมีนางฟ้า ง, งามๆเป็นบริวารและแบบนี้จะเรียกว่าทำดีได้ดีไงละ่ะฮะ นายขุนทองรู้สึกสับสนท่านพระครูจึงอธิบายว่ากรรมที่ทำให้นายสนธยาไปตกนรกไม่ใช่เพราะเขาทำบุญเป็นล้านๆหรอกเจ้าขุนทองแต่เพราะเขาดับจิตขณะที่โทสะครอบงำเขาอาฆาตคนที่มายิงเขาแล้วก็ตายลงขณะที่จิตเป็นอกุศล คือมีโทสะถ้าจะจัดเข้าไปในประเภทของกรรมก็เรียกว่าอาสัญกรรมแล้วถ้าเขามาเจริญกรรมฐานเขาก็จะไม่ถูกฆ่าใช่ไหมฮอนายคุณทองถามมันก็ไม่แน่เสมอไปแต่ที่แน่ๆคือเขาจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติแล้วอุทิศส่วนกุศล ไปให้เจ้ากรรมนายเวรและบุญกุศลนั้นมีมากพอก็จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้จะไม่ตามมาฆ่าเขาแต่ถ้าบุญกุศลไม่มากพอและเขาจะต้องถูกฆ่าแน่การเห็นกฎแห่งกรรมก็จะทำให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องว่าที่เขาถูกฆ่าตายนั้นเพราะเขาเคยไปฆ่าเขาไว้ เมื่อเขามาทวงคืนก็ต้องใช้เข้าไปเมื่อคิดได้อย่างนี้จิตก็จะไม่มีโทสะไม่มีความอาฆาตแค้นเคืองเมื่อดับจิตลงก็ไม่ต้องไปนรกเบ๋เขาน่าจเชื่อหลุงลุงนะฮอทำไมหลุงลุงไม่ดนจิตโดนใจให้เขาเชื่อละฮะหลานชายแสดงความคิดเห็นก็ข้าไม่ใช่ผู้วิเศษนะซี แต่ถึงกระนั้นข้าก็พยายามช่วยเขาจนสุดความสามารถของข้าแล้วก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาฟังหลุงๆุลงเล่าแล้วดูชักอยากจะปฏิบัติเหมือนกันแต่ใจมันยังไม่ถึงหนุ่มวัยยสเอ็ดว่ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาไว้ถึงเมื่อไหร่ค่อยมาบอกข้า แล้วคาดจะสอนให้ด้วยตัวของข้าเองเชียวล่ละขอให้บอกเธอไม่รอกฮะถ้าหนูจะปฏิบัติก็จะไม่ให้หลวงลุงสอนหรือจะให้หลวงพี่โบเหียวสอนทำไมละ่ะใครๆเขาก็อยากให้ข้าสอนกันทั้งนั้นมีเองนี่แหละที่มาแปลกกว่าเพื่อนก็หลวงลุงแก่แล้วหนูชอบเรียนกับคนหนุ่มๆอย่างหลวงพี่เรียนกับหลวงลุงไม่เอา นี่ถ้ามันยุ่งยากนะักก็อย่าเรียนเลยดีกว่านะท่านพระครูพูดอย่างรำคาญฮะหนูก็ว่าเงินแหละไม่เรียนดีที่สุดดีๆนะ่ะระวังจะเป็นอย่างนายสนธยา ก, ก็แล้วกันท่านพระครูว่าฮะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นหนูก็ค่อยเรียนนิมนต์หลวงลุงขยายความประโยชน์ข้อสุดท้ายด้วยเถอะฮะ หลานชายประนมมือขึ้น น, นิมนต์หลวงลุงจึงพูดว่าข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดฮะทราบแล้วหลวงลุ ง, ล ง, ลงบอกเมื่อกี้แล้วคนฟังพูดขัดขึ้นเจ้าขุนทองถ้าเองอยากฟังก็จงหุบปากเสียท่านสั่งไม่เสียฮะปากหนูดีไม่เสียหลวงลุ ง, ล, งลองจับดูก็ได้ไม่น่าไม่เสียตรงไหนเลย หลานชายอดย่ไม่ได้จะฟังหรือไม่ฟังท่านพระครูเริ่มจะหมดความอดทนฟังหรอหลงลุงว่าไปได้เลยนะฮหอท่านพระครูจึงพูดต่อไปว่าที่ว่าสำคัญเพราะมันเป็นจุดหมายของการปฏิบัติกรรมฐานและเป็นจุดยอดของไตรสิกขาซึ่งได้แก่ศีลสมาธิ ปัญญาการปฏิบัติมีจุดหมายอยู่ที่ปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์ของการปฏิบัติสวรรค์นิพพานจะมาเองโดยไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนแล้วมีตัวอย่างไหมฮะคือหนูหมายถึงคนที่เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้นะฮะมีสิ แต่ก่อนอื่นเอ็งต้องเข้าใจเสียก่อนว่าปัญญานั้นมีสองระดับคือโลกิยปัญญากับโลกุตระปัญญาถ้าปฏิบัติได้แค่โลกิยปัญญาก็จะแก้ปัญหาทางโลกได้แต่ถ้าถึงโลกุตระปัญญาก็จะตัดกิเลตตันหาทั้งปวงได้และจะบรรลุถึงพระนิพพาน คนที่ข้าจะยกตัวอย่างนี้ได้โลกิยปัญญาคือนายวิกโกที่ข้าเคยเล่าเมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละที่มาบวชวันนี้เมื่อปี 2,512 และหลวงลุงวัดเทศเก่งเทศแบบปุจฉาวิสัชนาได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละคือตอนมาบวชอยู่ที่นี่คู่รักของเขามาเยี่ยม เป็นคนไทยและเรียนอยู่ที่คณะอักษราศาสตร์ด้วยกันเขาก็มาถามข้าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเนื้อคู่เขาหรือเปล่าข้าก็บอกว่าอยากรู้ต้องปฏิบัติให้มากๆจะรู้คำตอบได้เองที่จริงข้าเห็นกฎแห่งกรรมของเขาแล้วว่าพ่อคนนี้ต้องได้เมียง่อยแต่ข้าไม่พูดออกมา เขาก็เชื่อค่าเร่งปฏิบัติใหญ่วันหนึ่งก็มาบอกข้าว่าหลุงพ่อครับเมืองไทยอากาศร้อนยุ่งก็ชุมผมอยู่ไม่ได้แน่ถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผมต้องอยู่เมืองไทยคงไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะไม่คิดถึงเขารักไม่ยุ่งมุ่งแต่ภาวนา ค่าก็บอกดีแล้วขออนุโมทนาด้วยต่อจากนั้นอีกหลายวันเขาก็มาบอกว่าหลวงพ่อครับผมเห็นเนื้อคู่ของผมแล้วเนื้อคู่ผมเป็นง่อยครับข้าก็ปลอบใจเขาว่าไม่ต้องเสียใจถึงจะเป็นง่อยแต่เขาก็เป็นคนดีพอเขาสึกออกไปก็ได้ไปแต่งงานกับคนง่อยจริงๆเป็นคนฟิลิปปิน แต่สอนภาษาจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันยังเคยพามาที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วข้าจำชื่อเมียเขาไม่ได้ขาแก่เสียไปข้างหนึ่งเห็นว่าเป็นโรคอะไรน้าโอโอเอเอนี่แหละเป็นมาแต่กำเนิดโปลิโอมังหฮหลงลุงใช่ใช่เขาเรียกโปลิโอถูกของเองเออ เจ้าสมชายหายหน้าไปไหนนะหมู่นี้ไม่ค่อยได้พบหน้าข้าตาเลยท่านถามหาคนเป็นลูกศิษย์โน่นหลจีบสาวอยู่บ้านเหนือนน่นอีกหน่อยหลวงลุงก็จะได้ลูกศิษย์สะพ้แล้วนายขุนทองว่าอะไรของเองลูกศิษย์สะั้ยเหมหลวงลุงเนี่ยเมียของลูกศิษย์ก็ต้องเรียกว่าลูกศิษย์สะั้ยสิฮอ ชายหนุ่มอธิบายอ๋ออย่างงั้นหรอกหรือแล้วเองละ่ะเมื่ อ, อไรจะมีหลานสะั้ยให้ค่ะไม่ใช่หลานสะพ้ยหรอหลานเคยตัง้งหรอแล้วคนพูดก็หัวเราะคิกค